เจรนญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการฟังธรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ปีนี้เรามาร่วมฟังธรรมะเกี่ยวกับวิสุท ธ, ธิทั้งหลายวิสุท ธ, ธิในที่นี้ถ้าโดยศัพท์แปลว่าความบริสุทธิ์เนี่ยนะความบริสุทธิ์วิสุท ธ, ธิคือความบริสุทธิ์ในพระศาสนานี้มีหลายอัตถะด้วยกัน บางแห่งคําว่าวิสุทธิ th és, นั้น mm. เป็นชื่อของพระนิพพานวิสุทธิทั่วๆไปเนี่ยเป็นชื่อของพระนิพพานแต่วิสุทธิที่เรากําลังพูดถึงอยู่ขณะนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานนั้นวิสุทธิตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นมัพเป็นไตรสิกขาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่ปราศจากเครื่องเศร้ามองปราศจากบาปอากุศลธรรมเข้าไปเจอือพันพระนิพานนั้นจึงเป็นธรรมที่สงบจึงเป็นธรรมที่สะอาดเป็นธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมที่ประณีตเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกผู้ที่ปรารถนาปรสรู้พระนิพานที่สงบประงับลึกซึ้งละเอียดเหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องมีข้อปฏิบัติอันบริสุทธิ์ในเบื้องต้น เพราะว่าพระนิพพานนี้คือความบริสุทธิ์ใช่ไหมผู้ที่จะดําเนินไปสู่พระนิพพานนั้นผู้นั้นจะต้องตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์นี้ถ้าจะกล่าวมาย่อๆก็มี3ามอย่างบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ทางใจเรียกว่าสุจริตสประการกายสุดจริตวจีสุจริตและมโนสุดจริตถ้าไม่มีสุดจริตคิดหรือว่าจะได้บรรลุพระนิพพานอันบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้ว ทีนี้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี้แบ่งเป็นวิสุท ธ, ธิได้ไหมได้ไหมได้ความสุจริตทางกายความสุจริตทางวาจาคือเว้นจากทุจริตนั้นเป็นศีละวิสุท ธ, ธิเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวตามสภาวะแบบย่นย่อศีละวิสุท ธ, ธิคือความบริสุทธิ์ทางกายและวาจา จิตตวิสุธทธินี้เป็นความบริสุทธิ์ทางใจคืออานาพิชากับอัพยาปาทะนะนะสมถะทั้งหลายเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของสมถะนั้นจเจริญอานาพิชากับจเจริญอัพยาปาทะอานาพิชาอัพยายปาทะคุณธรรมสองประการนั่นแหละเรียกว่าจิตตวิสุธทธิหรือสมถะทั้งหลายเพราะสมถะทั้งหลายคือการเจริญอโลภะและอโทสะ ถ้ากล่าวโดยรวบยัดรวบรัดนั้นนะนะศีลทั้งหลายนั่นแหละคืออะโทสะสมถะ ท, ทั้งหลายเป็นอนัภิชาหรืออโลภะอนัภิชาอโลภะนี้ก็ได้วิสุทธิอีกข้อหนึ่งคือจิตตวิสุทธิจิตของผู้ใดปราศจากอภิชาและโทมนัสจิตนั่นแหละเป็นจิตที่เป็นจิตตวิสุทธิหรือสมาธิหรือจิตตะศิขาหรืออธิจิตตะศิขา หรือสมาธิขันทีนี้ข้อสุดท้ายคือสมาธิฏิสมาธิฏิสมาทิิได้แก่ปัญญาปัญญานั้นแบ่งตามระดับแล้วกล่าวตามวิสุทธิได้หระดับหระดับระดับที่หนึ่งคือศีลวิสุทธิเ อ, อ่อขออภัยทิฐิวิสุทธิระดับที่สองตังขาวิตรณวิสุทธิระดับที่สมคามคห า, ายานทัศนวิสุทธิ ระดับที่สี่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและสุดท้ายญาณทัศนวิสุทธิปัญญานี้สัมมาทิฏฐินี้ได้ห้าวิสุทธิเนี่ยนะได้ห้าวิสุทธิวิสุทธิแรกวิสุทธิเบื้องต้นคืออะไรทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะที่เป็นปัญญานั้นชําระอะไรชําระสัตตุปรัลธิความสัตตลธิว่าเป็นสัตวเป็นสัต แบบไม่ได้ทำปริญญาพรานเข้าไปพิจารณาจนละความสำคัญหมายว่าเป็นสัตว์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ปรมาทิหมดเลยไม่รู้จักสัตว์ก็ไม่ใช่เพราะปรมาทิทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งโวหารโวหารกับบัญญัตินี่อันเดียวกันท่านสภาวะธรรมทั้งหลายปรมาธิธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งโวหารบัญญัติเอาไว้พูดเอาไว้คุยเอาไว้สื่อเอาไว้ ไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนบัญญัติไหมสอนอันบัญญัติที่พระผู้เจ้าสอนถ้ามีโอกาสจะได้กล่าวครั้งต่อไปแต่ในที่นี้ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะคือความเห็นที่มุ่งชําระสัตตูปลัติอตตูปลัติสัตตูปลั ต, ติความสําคัญว่าเป็นสัตย์ภายนอกนะภายนอกที่สําคัญว่าเป็นสัตย์ถ้าภายในอัตตูปลัติ รับทีว่าเป็นอัตตาอัตตารับทีว่าเป็นอัตตาสำคัญว่าว่าตนหรือสำคัญของตนนี่ไม่ใช่ว่าจะละได้ง่ายอันแรกก่อนให้ละความสำคัญว่าเป็นตนเสียก่อนเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาใช่ไหมสำคัญว่าผมเนี่ยเป็นตนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกสิ่งที่รวมรวมกันอยู่นี่แหละว่าเป็น ตนอันนะั้นบางพวกก็ถือนามมาทำทั้งหลายว่าเป็นตนทั้งๆ ท, ที่ความเป็นจริงแล้วก็คือคืออะไร <S <S ก็คือนามมาทมและรูปประธรรมแต่นามมาทำและรูปธรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความสําคัญว่าเป็นตนแสดงว่าโดยพื้นฐานเราไม่ได้ยอมรับในความเป็นรูปนามอะไรเลยใช่ไหมใจจริงเราไม่อยากจะบอกว่ามันคือรูปนามเราจะบอกว่าเราหรือจะบอกว่าตน หรือที่เรียกว่าคำว่าเราอะนัแบบภาษาไทยไม่อยากจะบอกว่ารูปนามอย่างสมมุติเราคิดอะไรบอกนี่คือความคิดของฉันฉันเป็นคนคิดเราบอกเออความคิดเป็นนามธรรมที่เกิดจากปัจจัยความคิดนี้ประกอบไปด้วยเจตสิกธรรมทั้งหลายอาศัยวัตถุอาศัยอารมณ์ความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงรอกเออความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนั้นยอมรับแบบนี้ว่าความคิดเป็นสังขารธรรมชนิดหนึ่งไม่บอกความคิดของฉันนน้นอย่ามาล่วงเกินความคิดฉันนะอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นความคิดอันนี้เนี่ย ท, ที่พื้นฐานไม่เคยทำปริญญาความคิดเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งทิฐิสำคัญว่าเป็นตนแล้วคนอื่นะความที่เราไม่ได้ทำปริญญาไม่เข้าไปวิจัยในอารมณ์ทั้งหลายก็เลยเป็นมีแต่ความสำคัญว่าเป็นผู้อื่นบุคคลอื่นผู้อื่นบุคคลอื่นสำคัญแต่อย่างนี้เสม อ, อนะเพราะอะไรเพราะไม่เคยแยกแยะเลยไม่เคยไม่เคยเข้าไปแยกเลย ไม่เคยเข้าไปแยกในองค์ประชุมของสิ่งทั้งหลายอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะว่าผู้ที่จะเจริญกรรมฐานทิฏฐิวิสุทธิเบื้องแรกที่สุดต้องฝึกแบบ น, นะแบบอะไรนะท่านยกตัวอย่างในสติปัฏฐานสูตรธาตุบัพภะว่าบัพภะว่าพิจารณากายนี้แหละตามที่ตั้งอยู่ตามที่ทรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าปฐวีธาตุมีอยู่ในกายนี้ อาโปาธาเตโชาธาต์วาโยาธาต์มีอยู่ในกายนี้ก็พื้นฐานทิฏฐิวิสุธทธิเนี่ยนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยธาตุสี่ประชุมกันความเห็นอันนี้เป็นทิฏฐิวิสุธทธิเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์นะเห็นว่าธาตุสี่นี่ประชุมกันนั่งอยู่ธาตุสี่ประชุมกันเดินยืนนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าของเรานี่เห็นยังไงไหมคนโนนั่งอยู่ คนนี้นั่งอยู่เนี่ยนะพี่อิทนั่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ว่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยโดยที่มบอกว่าท่าสี่ประชุมการโวหารว่าพี่อิทแล้วก็อย่างนี้โวหารเขาเรียกว่านั่ง like แต่ความเป็นจริงแท้ก็ค <im> ือท่าสี่ประชุมการท่าสี่เหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหตุใกล้แห่งปภาษาท่เหตุใกล้ของตาเหตุใกล้ของหูเหตุใกล้ของจมูกเหตุใกล้ของลิ้นเหตุใกล้ของกายแล้วกายเหล่านี้ ตาเป็นที่ตั้งแห่งจิตเห็นะหูเป็นที่ย่างแห่งจิตได้ยินจมูกเป็นที่ตั้งแห่งจิตรู้กลิ่นลิ้นเป็นที่ตั้งแห่งจิตรู้รสกายเป็นที่ตั้งแห่งจิตรับกระทบโพธภาหะทยะเป็นที่ตั้งแห่งความนึกคิดทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งมโนวิญญาณทั้งหลายแล้วก็จิตเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อจิตเกิดขึ้นจิตเห็นจิตได้ยินเป็นต้นเนี่ยก็มีภาษะเกิดร่วมด้วยมีเวทนาเกิดร่วมด้วยมีสัญญาเกิดร่วมด้วยมีเจตนาเกิดร่วมด้วย นะมีเอกคัตาเป็นต้นเกิดร่วมด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาศัยจิตเกิดขึ้นเกิดแต่จิตอาศัยจิตเกิดเรียกว่าเจตสิกธรรมทั้งหลายก็คือพวกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันทั้งหลายที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันโดยที่มีวิญญาณขันเป็นประธานความจริงเราศึกษาธรรมะตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจฟังออกว่าเออมันมีความหมายว่าอย่างนี้ แต่ทิฐิของเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ความเข้าใจกับทิฐิถามว่าเหมือนกันหรือไม่คือหมายก็ว่าเช่นอะไรนะคนอื่นเข้ามาเล่าบางเรื่องให้เราฟังเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเราเข้าใจแต่เราไม่มีความเห็นแบบคนนั้นอันนี้นี่ใช่ไหมมีไหมอย่างนี้เขาเล่าเรื่องอะไรนะเราก็เ อ, อฟังเขาที่พูดเขาเข้าใจเราเข้าใจหมดเลยว่าเขาต้องการให้เรารู้อะไรแต่เราไม่ได้อยากรู้แบบเขานี่ก็ลักษณะเดียวกัน เออเนี่ยรูปนามขันห่านะรูปประกอบด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปนามมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณฟังและเข้าใจเลยแต่เวลาเห็นอารมณ์เราคิดแบบนี้ไหมอันนี้แสดงว่าเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าสักเท่าไหร่อันนี้นี่คือคือพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เราเข้าใจเลยใช่ไหมว่าพระองค์ให้เราคิดแบบนี้แล้วเราเห็นด้วยไหมที่จะต้องไปคิดอย่างนี้สมาทานที่จะคิดแบบนี้เลยว่านนเห็นด้วย เป็นด้วยสาธุคือถ้าถ้าใครมาบอกว่ามีตัวตนหรือว่าไม่ใช่รูปนามเนี่ยเราคัดคา้านเพราะว่าเรามีความเข้าใจว่าเป็นนามรูปแล้วแต่ว่าการที่จะเห็นในชีวิตประจําวันว่าเป็นนามเป็นรูปเนี่ยคือยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ายัางคงยังไม่ได้เจริญอบรมมากนะครับแต่ว่ามีความเข้าใจ <c ười> เข้าใจ <c ười> อย่างนั้นจริง <c ười> ๆก็ใช่ก็พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยนะคำสอนที่พระองค์แสดงชั้นเข้าใจแล้วไม่ว่าอะไรอ่ะไม่เทียง ใช่ใช่ไมโอ้ใช่ใช่แต่ว่าฉันไม่เห็นด้วยคือจะว่าปฏิเสธก็ได้แต่ไม่ทําตามอันนะมันจะว่าอะไรนะปฏิเสธก็ไม่ปฏิเสธไม่เทียงไม่ว่าเข้าใจแต่ว่าเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ ก, ก, ก็ก็คิดดูนะเราเอาแทบพูดแบบแบบภาคตรวจสอบเลยก็รู้ว่าวันวันหนึ่งเราเอามาคิดน้อยมากแล้วก็สมมุติว่าอ่ะอาจารย์สันติเห็นใจ๊หมวยอย่างเงี้ยนะเออเนี่ย น, น, นะกายนี่ยเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่ พระปทวีธาตุนี้อาโปธาตุนี้เตโชธาตุนี้วาโยธาตุเป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเนี่ยเขาก็มีรูปประสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะเออนี่ขันห้าประชมกันนี่โวหารว่าเป็นญาติเป็นอะไรก็ว่าไปซึ่งไอาการคิดแบบนี้เนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าโดยที่ตอนเราเรียนสู่เราเข้าใจไหมเข้าใจคิดบ่อยไหมเออตรงเนี่ยที่ ท, ที่ที่เรียกว่าเราเ อ, อ, อะไรนะ จะว่าเราไม่ศรัทธาก็ไม่ใช่แต่เราไม่ได้เหตุปัจจัยให้คิดแบบนี้ไม่สมาธานที่จะเห็นแบบนี้อันนี้นี่คือคือถ้ามองว่าปัญญาเป็นทรัพย์นะปัญญาเป็นรัตนะเราก็ต้องเอาปัญญาตัวนี้ไปส่องกับทุกอารมณ์เหมือนอย่างว่าที่อุปมาว่าเหมือนกับเราไปตัดแว่นตัดแว่นแล้วจะส่องเห็นความจรงิงก็พอเวลาสวมแว่นปั๊บก็เห็นความจรงิงพอตัดเสร็จปั๊บก็ลืมใส่แว่น นะก็เลยไม่ค่อยได้เห็นความจริงอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันคําสอนเหล่านี้เปรียบเหมือนแว่นตามันเราก็ต้องเอามาใส่แล้วจะได้ดูอะไรให้มันชัดๆนี้กายนี้เป็นที่ประชมแห่งมหาพูธทั้ง4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟันเป็นนิดเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาเกิดร่วมกับกา ม, มสัญญา บ้างเกิดร่วมกับเนคขมมะสัญญาบ้างทุกขเวทนาเกิดร่วมกับพยาบาทสัญญาบ้างวิหิงสาสัญญาบ้า ง, างนะแล้วก็อุเบกขาเวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลสัญญาบ้างถ้าคนที่ทำปริญญาก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งกุศลสัญญาพอสัญญาเกิดขึ้นเจตนาก็เป็นไปเจตนาก็ทากิจใช่หกายสัณเจตนาจะต้องทำยังไงบ้างวจีสันเจตนาต้องพูดยังไง คุณไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วพอแล้วนั่งใช้ใอย่างเดียวพอเพราะว่าปรับครั้งเดียวพอแล้วเพราะพูดตามลําบากมากเ <c oughs> พราะไอ้พวกเจตนาทั้งหลายเนี่ยนะทั้งกายสันเจตนาวจีสันเจตนาและมโนสันเจตนาก็เกิดขึ้นอันนั้นเป็นลักษณะของสังขารเวทนาสัญญาเจตนามีจิตเป็นประธานทั้งหมดเลยคือสิ่งเหล่าเนี้คือความที่ขันห้า ประชุมกันเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราเห็นว่าขันท่าเป็นธรรมชาติที่ประชุมกันอย่างนี้แล้วไอ้ความสำคัญว่าเป็นสัตว์ก็ลดลงไปความสำคัญว่าเป็นอาัตตาก็ถูกตัดออกไปเมื่อถูกพวกอัตาสัญญาเป็นต้นถูกตัดออกไปแล้วก็จะเหลือแต่ความเป็นรูปนามขันท่าเป็นต้นล้วน แต่ในขณะเดียวกันเมื่อแยกจนถึงแยกแยะละเอียดลึกซึ้งจนแยกโดยความเป็นขันห้าเป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรเป็นต้นอย่างนี้ได้แล้วอันนหรือแยกแบบพิสดารเพิ่มเป็นธาตุสีบสหรือกระจายแบบธาตุสิปเมื่อกระจายอย่างนี้แล้วจะรู้ว่าธาตุทั้งหมดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์อ่าเป็นที่ตั้งแห่งโวหารคําว่าสัตว์อันนี้เป็นคํากว้างๆแต่ในคําว่าสัตว์นี้ก็ต้องยังมาแยกอีก แยกว่ายัางไงแยกว่านี่พี่ต่อยนี่ป้าเพนสีป้ามารสีเป็นต้นเนี่ยนะก็มาแยกว่าเออเนี่ยสัตว์เนี่ยแบบเนี้ยแบบโวหารว่าอย่างนี้โวหารว่าอย่างนี้โวหารว่าอย่างนี้ก็ก็เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งการอะไรเรียกขานขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งเรียกขานเพราะว่าปรามัตทาทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งปรามาทนะถ้าวิเคราะห์ศัพท์แปลว่าเป็นที่ตั้งแห่ง อัถบัญญัติและสัท ธ, ธบัญญัติเอาไว้เรียกขันกันเพรา ะ, ะนี้นก็ต้องพิจารณาย้อนกลับไปว่าคำว่าสัตว์ก็คือขันห้าประชุมขันขันห้าประชุมกันเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์นะขอเข้าใจไหมเอาใหม่คำว่าสัตว์ถ้าย่อแย่กลับไปอีกก็คือความที่ขันห้าประชุมกัน ถ้าแยกไปแล้วคือขันห้าขันห้าที่แยกแยกแยกกันไปแล้วขันห้าถ้าเหล่านี้ถ้ามารวมกันประชมกันก็เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะก็ก็ีกลับไปกลับมาอย่างนี้ทีนี้ก็ส่องอย่างนี้กับทุกรูปทุกนามทุกขันทุกภพทุกภูมิทุกชาติชั้นวันะทุกขนทุกแห่งทุกการทุกสถานที่ประทับความเห็นอันนี้ของเราเอาไว้กับทุกอารมณ์ พอรับอารมณ์ใดขึ้นมาไม่มีการเข้าใจผิดอีกเลยว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้เป็นลักษณะของทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะถ้าใครทำได้เช่นนี้เรียกว่าเอามาวิจัยประทับตราในความเป็นขันหะประทับตราในความเป็นธาตุประทับตราโดยอารมณ์ต่างๆเอาไว้อย่างเอาไว้อย่างไม่มีคำเลอะเลือนอีกต่อไปจนไม่เลอะเลือนเลยนั้นเห็นเห็นใครก็ตามเถอะ อย่างที่บอกว่าในจตุธาตุวัฏฐานสติปฐานหรือในวิสุทธิมักย์เนี่ยนะท่านได้กล่าวถึงว่าเมื่อบุคคลพิจารณาโดยความเป็นธาตุมากขึ้นเท่าไหร่เห็นสุนัขวิ่งก็เหมือนกับเห็นกองธาตุเนี่ยวิ่งแต่ไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าเป็นสุนัข ร, รู้อยู่ว่าสิ่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสุนัขแต่สุนัข ค, คือการประชมแห่งขันอายตนะธาตุ หรือเห็นสัตว์อื่นก็ตามเห็นคนเห็นใครก็ตามเห็นแขกเห็นฝรั่งหรือโดยที่สุดรู้จักเห็นเทวดาแม้กระทั่งเห็นเทวดาเทวดาทั้งหลายก็คือความประชมแห่งขันอายตนะาธาตุเหล่านี้เอาความเห็นของนี้เหล่านี้จะต้องไปประทับให้มากๆขึ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านจึงหลีกเล้นในการเจริญคิดถึงใครคิดถึงอารมณ์อะไรก็ต้องไปประทับประทับความเข้าใจอันนี้เอาไว้กับทุกคนทุกแห่งทุกอารมณ์ จนไม่รู้คําว่าลืมจนไม่ลืมเลยว่างั้นฮะพูดถึงทิฏฐิวิสุทธินะครับอย่างที่ท่านพูดก็เมื่อเช้าก็มีนะครับไปวิ่งก็เห็นสุนัข ก, ก็เลยคิดถึงกระดูกมันวิ่งได้แล้วก็คิดถึงขันท่าคราวนี้ท่านบอกว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยแต่ผมพิจารณาแล้วว่าหลงลืมสติมีมากกว่าแต่ว่าพิจารณาอย่างเนี้ย พ, พิจารณาได้คราวนี้จ ะ, ะรู้ได้ไงครับว่าเรา มีระดับของทิฏฐิวิสุทธิแล้วเพราะว่าอย่างในตำราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาแค่ครวนอย่างนั้นได้จริงแต่ว่าลงลริมสติเนี่ยมีมากยังไงจึงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิก็ทิฐิทิิวิสุธนะท ธ, สธิเป็นพักๆนะทิฏฐิวิสุทธิเป็นพักๆอ่ะนันก็ไม่ค่อยวิสุทธิเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก็ภารากิจก็คืออะไรนะรถ ลด อ, อวิสุทธิเจริญเจริญวิสุทธิให้ให้มากขึ้นทำยังไงให้วิสุทธิเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้ถ้าใครที่เจริญวิสุทธิตัวนี้เนี่ยนะเราจะรู้สมมติอาจารย์สันติยกตัวอย่างสุนัขเห็นสุนักปั๊บคิดอย่างนี้แล้วอาจารย์สันติเห็นคิดถึงเพื่อนนคิดอย่างนี้ไหมทีนี้ก็มาจับว่า อารมณ์อะไรบ้างที่เราไม่เคยแยกแบบนี้จับมาแยกเลยจับมาคิดเลยนะเช่นเพื่อนของเรานึกถึงเพื่อนอเพื่อนคนนั้นคิดถึงก็จับมาแยกเขาก็คือขันห้าประชุมกันเขาก็คือกายเนี่ยเป็นที่ประชุมแห่งโครงกระดูกมีเลือดมีเลือ ด, ม, อดมีหนังมีเนือ้อเป็นต้นก็มีเนี่ยภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นที่ตั้งแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารเนีวิญญาณก็ตามหลักวิชาที่เราศึกษาไปก็เอามาคิดเอาคนใหม่มาอกีกนะนะ เอาเก็บมาคิดทีละคนทีละคนทีละคนเอาเน้นพิเศษคือคนที่เราเกี่ยวข้องมากเราคิดถึงมากอ่ะ น, นะทีนี้ถ้าฝึกอย่างนี้ได้สักร้อยคนหรือพันคนก็เทนี้สบายแล้วน่าจะชํานาญแล้วใช่มถ้าว่าได้เป็นพันอ่ะนะสุนัขถ้าทุกตัวเนี่ยนะเอามาคิดอย่างนี้ได้นะเอาทุกตัวมามาใส่ใจแบบนี้ได้ทั้งหมดแม้กระทั่งสัตว์อื่นๆนกไก่หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงอื่นๆเอามาใส่ใจอย่างนี้โดยที่สุดแม้แต่พวกปลา ก็เอามาเจริญอย่างนี้ถ้าพิสดานมากขึ้นไล่แม้กระทั่งในเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกก็เอามาแยกอย่างนี้ให้หมดเลยแล้วจับมาวิเคราะห์แล้วก็ว่างๆก็จับเอาเทวดามาต้องรอว่างไหมเนี่ยไม่จําเป็นมั้งเนาะก็เอามาพยายามทําปริญญาอย่างนี้ยแม้กระทั่งโดยที่สุดแม้แต่พรนะหรืออรู ป, ปรพรหมก็มาวิจัยในความเป็นรูปนามขันท่าเหล่านี้เอาไว้ทั้งหมดคือถ้าแผ่ส่วนเหล่านี้ไม่ดีไม่พอ เชื่อกำหนดปัจจัยไม่ได้พอกำหนดปัจจัยแล้วจะเริ่มเลอะและถ้าใส่ใจโดยความเป็นธาตุเป็นขันไม่พอการใส่ใจโดยปัจจัยของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเริ่มสับสนนะเริ่มเริ่มยุ่งแลเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานไอ้เอกความเห็นตัวนี้ไม่ดีพอเมื่อความเห็นเหล่านี้ไม่ดีพอการที่จะข้ามสงความสงสัยก็คงจะยาก นี่ในะขณะเดียวกันการพิจารณาดังที่กล่าวไปเนี่ยนะไม่ใช่เอาเฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวไม่ใช่เน้นเฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวที่เราต้องพิจารณาตัวที่จะต้องพิจารณาจะต้องแม้กระทั่งชีวิตของตัวเราเองในอดีตก็คืออะไรโดยมาก ท, ทั่วไปเราก็คิดถึงตัวเองในอดีตบ้างใช่ไหมตอนไปเดินตอนไปยืนตอนไปนั่งตอนไปเที่ยวตอนไปกินไปดืม่มเราคิดว่านั่นคือธาตุไหม นั่นก็คือขันนั่นก็คืออายตนะนั่นคือขันธาต์และอายตนะบันชีวิตที่ผ่านมาเมื่อสองปี3ปี10ปี20 30 50ปีหรือแม้กระทั่งชาติที่แล้วชาติที่แล้วชาติที่ผ่านไปผ่านไปสิ่งเหล่านั้นก็คือขันอายตนะและธาต์เนี่ยนะพันกระจายในความเป็นขันอายตนะธาต์ในความเป็นรูปเป็นนามถอยหลังแม้กระทั่งชีวิตอย่างนี้ทั้งหมดเลย ชีวิตของผู้อื่นด้วยหรือเราคิดถึงผู้อื่นตอนตอนไหนคิดถึงผู้อื่นตอนที่เคยไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยการไปมีธุร ะ, ะมีกิจการงานทำร่วมกันก็ใส่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นก็คือขันธาตุอายตนะชีวิตที่ผ่านมาของเขาก็คือขันธาตุอายตนะที่ประชมกันดำเนินไปทีนี้เราก็มาคิดถึงว่าชีวิตพบใหม่ที่เราปรารถนาะ หรือสามวันห้าวันข้างหน้าที่เราคิดถึงที่เราจะไปทําธุระอะไรทั้งหลายก็ใส่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นคือคืออะไรขันธาตุยตนะแสดงว่ายังฟังอยู่นะในสายได้พูดอย่างนี้เตียยหมดเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนั้นชีวิตทุกอย่างเนี่ยนะเช่นบางทีเราก็นัดกันไปเช่นนัดกันไปทําบุญเนี่ยนะถ้าเราจะเดิญที่ทิวิสุที่จริงๆอ่ะนะก็คือขันนั่นแหละ เอาขันไปถวายขันวะจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ละเอาธาตุไปถวายธาตุก็เริ่มคิดสมมุติถ้าเราจะเอาดอกไม้ไปถวายพระเจดีอ JD, อย์นะเจดีย์ JD, มีกี่ธาตุก็วิจัยในความเป็นธาตุขององค์พระเจดีย์วิจัยในธาตุของสิ่งที่เราเอาไปสักการะดอกไม้ของหอมพวกภาพเป็นต้นก็มาพิจารณาโดยความเป็นธาตุแล้วเราจะไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยธาตุตัวไหนพาไปวิญญาณธาตุ มโนวิญญาณธาตุพาจิตชาวาโยธาตพาธาตุสีไปแล้วเนี่ยนะส่งกองทุกไปแล้วไปจนถึงวาพระเจดีมีมโนวินมีธรรมธาตุสัตทินรีเกิดขึ้นมีอะไรธาตุอีกเกิดขึ้นวิริยินรียมีสตินรีมีสมาธินรีมีปัญญินรียตามสมควรแก่การเจริญกุศลธรรมนั้นนั้นอันนั้นก็คือธาตุทั้งหลายประชุมกันก็ในโลกนี้สรุปว่า ทุกเรื่องที่เราคิดเนี่ยนะก็ใส่ใจโดยความเป็นาธาตุทุกเรื่องทุกอารมณ์เนี่ยนะไอความเห็นแบบนี้ถ้าเกิดแบบนี้นะคิดถึงอะไรก็มีแต่าธาตุทั้งหมดเลยคิดว่าเราคิดว่าดีหรือไม่ดีดีนะสาธุเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าแล้วนะก็เหมือนกับว่าเราจะต้องใส่ใจอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเราเรามีเรื่องที่จะต้องใส่ใจอ ย, อย่างอื่นอีกนะครับ การเป็นใส่ใจเรื่องอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่จะใส่ใจในเรื่องของความเป็นขันทายตนะเนี่ยมันจะลดลงแล้วถ้าเผื่อไปให้ความสําคัญอะไรมากขึ้นอย่างเช่นอตอนนี้รู้สึกผมจะให้ความสําคัญในเรื่องการไหว้พระเจดีย์นะครับการพิจารณาเรื่องขันทายตนะมันก็เลยลดลงไปนะครับทํำยังไงถึงจ ะ, ะบูชาเจริญพุทธคุณด้วยแล้วก็สามารถที่จ ะ, ะน้อมถึงขันทายตนะะไปด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า คือถ้าให้ความสําคัญอะไรไอ้สิ่งนั้นจะเด่นยังไงจึงจะควบคู่กันไปได้ก็ก็ดังที่กล่าวไปเนี่ยนะว่าเราเนี่ยประสงค์จะไปไหว้พระเจดีย์เจดีย์นี้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของเรายังไงเราก็บอกว่าช่วงนี้นะอย่าไปห้ามไหว้พระเจดีย์เด็ดขาดยังไงก็ไม่เลือกอย่างเงี้ยนะเพราะยังไงสรุปว่าจะต้องไหว้เจดีย์เป็นหลักอ่ะทีนี้ไหนไหนก็ศรัทธาจะไหว้พระเจดีย์แล้วนะก็ พระเจดีย์เนี่ยนะทั้งองค์พระเจดีย์เลยตัดเดรฉ า, านบริเวณนั้นทิ้งออกไปหมดทั้งหมดก็คื อ, อวินิพุทครูปแปดอวินิพุทครูปแดเนี่ยนะก็มีสมุดฐานแตกต่างกันไปพวกอิดหินปูนทรายเป็นต้นที่เอามาก่อโบกฉาบก็เป็นอวินิพุทครูปตรงๆแล้วก็มีอุตุเป็นสมุดฐานมีจิตเป็นปัจจัยมาตกแต่งให้อลังการวิจิตพิสดารส่วนตัวาธาตุของพระพุทธเจ้า ก็เป็นอะไรเป็นกระดูกใช่ไหมโดยมากพระาธาตุคือกระดูกบางแห่งก็เป็นผมบ้างบางแห่งก็เป็นฟันเป็นเขี้ยวเป็นอะไรทั้งหลายก็คือธาตุทั้งหลายพันธาตุเราใส่ใจโดยความเป็นาธาตุแม้แต่าธาตุของพระพุทธเจ้าก็ยังกระจายศรีระาธาตุก็คือกระดูกกระดูกก็ยังกระจายมานี่ก็ส่วนหนึ่งในบรรดากระดูกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าพันกระดูกเหล่านี้ก็ได้รับการกระจัดกระจายเรี่ยราดมาแล้วหนอทีนี้ของเราที่เข้าไปบูชาพระาธาตุ ถ้าเราไปบูชามีอะไรบ้างบูชาด้วยอะไรดอกอันนั้นเอาเครื่องสักการะดอกไม้ทูบเทียมประทีปโคมไฟของหอมอมีผ้าหม่มเป็นต้นไปหม่มแล้วเมื่อทําสิ่งเหล่านั้นก็มีการกราบการไหว้แล้วองค์ประกอบของการกราบมีอะไรบ้างมีจิตจิตชาวายโญรูปโครงกระดูกก็เลยก้มกราบลงไปอันนั้นก็วิจัยลักษณะ น, นี้นะนี้ถ้าเดินประทักษิณก็มีจิตเป็นปจัจจัยจิตชวาวายโญธาตุก็เดินแผ่พันว่างๆเนี่ยนะ เขามายังชอบอัธยนิสัยฝรั่งอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฝรั่งเขาจะทําเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเขาจะคิดมากเป็นคนคิดมากจริงๆสมมติเขามีดูเคยดูรายการหนึ่งที่ฝรั่งเขาทำเขาบอกว่าเรือเดินทะเลเนี่ยมันไปล่มมันไปล่มทีนี้มันยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเรือจึงล่มก็เลยทําจําลองเรืออันนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองให้มันล่มเป็นร้อยครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าต้นเหตุจริงๆที่ทําให้ล่มคืออะไร เขามีการซ้อมจนจนเข้าใจอย่างละเอียดละ อ, อ่ทีถ้วนคือหาข้อมูลสถิติอันนะนั่นคือคือการการคิดแบบผลประโยชน์ในโลกนี้นะแต่ทีนี้นี่ประโยชน์คือประมัตทประโยชน์เนี่ยนะทำไมเราจะมาวิเคราะห์ในสิ่งนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าในสิ่งนั้นไม่ได้ขนาดการที่เขาอยากจะรู้ว่าเรือมันล่มเนี่ยด้วยเหตุใดเขาลองเป็นปีๆเนี่ยนะที่จะไข่ครวทถึงสิ่งนั้น นี่ก็เหมือนกันเราก็ไปไหว้พระเจดีย์องค์ประกอบของเจดีย์ที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันแล้วสีของพระเจดีย์ก็ไม่ค่อยต่างกันโดยมากที่ไหนวิจิตรหน่อยก็สีทอง น, นะนะแล้วก็องค์ประกอบของเจดีย์ก็ไม่มีไม่กี่ทรงถ้าเราแผ่โดยความเป็นขันอาญัตนะธาตุลงไปในเจดีย์ทุกเจดีย์ได้เสร็จแล้วนะต่อไปก็ไม่ใช่ภาระเพราะเห็นองค์เจดีย์ก็สัญญามณสิการที่เป็นไปกับขันธาตุอายตนะก็จักชนานาญ แม้กระทั่งเวลาเราก้มลงกราบถ้ามีการวิจัยว่าจิตเป็นปัจฉัยกับจิตตชาวายโยธาดโครงกระดูกก็ก้มเงยเงยก้มก้มเงยอยู่เนี่ยนะถ้าสายใจแบบนี้เวลากราบเมื่อไหร่จะนึกออกนึกไม่ยากเพราะอะไรเพราะความชํานาญของเราที่ที่ได้เจริญเอาไว้ในสิ่งนั้นแล้วเหมือนกับว่าหนังสือเราฝึกอ่านไว้ก่อนแล้วนั่นการพิจารณาในขันธาตุอายตนะจึงไม่ใช่ว่าไปประจวบเฉพาะหน้าแล้วค่อยคิดประจวบเฉพาะหน้าแล้วค่อยคิดอันนี้ทันไหมล่ะ ไม่มีการทําการบ้านเลยแม้แต่เรื่องเดียวในรุน่งนี้ทุกเรื่องเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหมดเลยดีไหมเสี่ยงมากไปคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนจะจูตะด้วยยิ่งยิ่งอันตรายจริงๆเลยว่างั้นตอนนี้ขันกําลังไอ <c oughs> ก็เลยทําให้ต้องหยุดชะงักหน่อยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อย่างที่คุณเจ้าว่านะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทําการบ้านไว้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ความไม่ชํานาญเนี่ยจิตจะคิดไดท้ทีระอารมณ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีการมนาสิการไว้จนกระทั่งเป็นความชํานาญเนี่ยความไวของจิตอาจจะคิดได้หลายๆอารมณ์สลับกันนะครับจิตรู้ทีระอารมณ์นั่นแหละแต่ว่าความชํานาญในการที่จะคิดเรื่องที่ชํานาญเนี่ยแม้จะมีเหตุการณ์ในปัจจุบันจะทํากิจธุระหรือว่าจะทํากิจการงานอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมนาสิการในอารมณ์ที่เคยชินไว้นั้นก็อย่างหลายๆท่านอย่าง แม่บ้านท่านหนึ่งทํากับข้าวใช่ไหมครับแล้วก็ไฟไหมนะ้ไฟก็ไหม้อาหารหม้อแกงก็ไหม้ท่านก็มนาสิการถึงธรรมะที่ท่านพิจารณาด้วยความเคยชินนั่นแหละก็ทําให้บรรลุเป็นพระนาคามีได้ดังนั้นความชํานาญในการที่จะมนาสิการเนี่ยก็คงไม่ต้องแต่คิดว่าช่วงนี้คงต้องรอว่างๆก่อนนะครับเพราะว่ายัางไม่ชํานาญถ้าใครชํานาญก็คงไม่ต้องรอว่างอนะครับ เพราะว่าสามารถที่จะมนัสสิกานได้ตลอดเวลาเท่าที่มีสติได้ก็เราคิดลักษณะนี้สช่ว่าอย่างคนนั่งกันอยู่หลายๆคนเนี่ยเราสับสนไหมทําไมไม่สับสนน่าคิดนะทำไมไม่เออนี่คุณวิลาวันกับคุณต่อยเนี่ยสับสนกันเนี่ยใครเป็นใครกันเนี่ยฟังแล้วยุ่งไปหมดเลยพอถ้าชํานาญแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรว่าะเห็นคนนี้ก็เรียกเชื่อเขาถูกเลยเพราะความชํานาญในสิ่งนั้นๆ อันถ้าเราใส่ใจโดยความเป็นธาตุเอาไว้อย่างพษษิสดารจนชำนาญใส่ใจโดยความเป็นขันเอาไว้จนชำนาญใส่ใจในอายตนะจนชำนาญไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอะไรเพราะทุกคําที่พูดเนี่ยนะเราพยายามนึกเลยว่าทุกคำที่พูดเบื้องหลังของสิ่งที่พูดถึงคือขันอายตนะธาตุเบื้องหลังของสิ่งที่เราคิดถึงก็คือขันอายตนะธาตุเบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นก็คือขันอายตนะธาตุเบื้องเราที่เราฟัง ท, ทุกเรื่องที่เราฟังก็คือขันอายตนาธาตุเบื้องหลังของรสของกลิ่นของพโพธภัณฑแม้กระทั่งสิ่งที่พูดถึงทุกชนิดในโลกเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นคือขันอาญตนาธาตุแต่เรื่องราวหรือชื่อมันครอบงําท่วมทับเราจนลืมคําว่าขันอาญตนาธาตุอย่างเช่นคําว่าลูกเนี่ยนะครอบงําท่วมทับลืมขันอาญตนาธาตุหมดเหลือแต่ของเราก็อาจจะใช่นะอย่างเ้ามีคิดง่ายงายงังนะ้นเะ อคุยเรื่องยมแม่เนียเราก็ลืมขันายตนะธาตุหมดเหลือแต่แม่เราอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าการแผ่มนสิการในสิ่งนั้นหรือพูดง่ายๆว่าเราทำการบ้านไม่พอแผ่การบ้านไม่พอทีนี้ถ้าใส่ใจโดยความเป็นขันายตนะธาตุได้น้อยนะปฏิจจสมุปบาทอยากคิดนั้นว่าจะมองเห็นแทบไม่ใช่ฐานะเลยเพันพื้นฐานเบื้องแรกทาความเห็นของเราให้บริสุทธิ์ไว้กับทุกอารมณ์